ที่นี่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีระบบ FM s t e r e สตอ l t i p l ม x ติ์ความถี่ 89.5 เม z รส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่214ถึง216ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร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 คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เคนทาวายและอาทิตยาปักกะทานังทาง FM 8 9 5สิเกหม สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการกรอบข่าวเช้าวันศุกร์นะครับเจอกันกับผมปียพงษ์เคนทวายครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในช่วงเวลานี้มาพร้อมกับคุณอาทิตยาปักกฐานางครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณปียพงษ์สวัสดีครับผมนะฮะน้ําเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมียพงษ์เสียงแหบไหมทำไมคะเสียแหบไหมไปวันคชั่นมาไปท่องเที่ยวมามีเสียงแหบด้วยเหรอเออทาไมคุณไป ตะโกนโวกเวกที่ไหนมาฮะไม่ตะโกนหวกเวกครับจะมันจะเป็นต้องพูดนะฮะเกิดอะไรขึ้นมีหลายภารกิจเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีภารกิจแล้วก็เป็นการไปเที่ยวในตัวด้วยนะะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงเพราะว่าไปทางเส้นทางภาคใต้ไปภาคใต้ฮะไปภาคใต้ไปสู่ราชธานีไป็นจังหวัดที่เพิ่งจะเคยไปแล้วก็ยิงยาวต่อที่สมุย ก็โอเคนะผมว่าก็โอเคก็คือส่วนหนึ่งที่เราไปเนี่ยเราไปคือเหมือนเหมือนเราก็ต้องทํางานด้วยส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือเราต้องทํางานไปวิจัยกรไปช่วยงานเขาแล้วก็แล้วก็ไปพักผ่อนการไปพักเองเนี่ยเราไปแบบชิวๆปกติไม่ได้นะทำไม ค, คือมันก็ต้องเก็บอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องเก็บบรรยากาศต่างๆกลับมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเก็บรายละเอียดใช่เหมือนผมทำรายการเอสเอ็เองเนี่ยผมก็จะไปดูว่า เหมือนธุรกิจต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้าง <c oughs> ที่ไปเจอมาส่วนหนึ่งคือเรื่องของร้านอาหารผมว่าเขาก็ปรับตัวนะคือเรื่องของการสั่งอาหารแล้วก็มีเป็น d e l i v e อือก็ปรับตัวมากขึ้นคือหมายถึงว่า เหมือนกับในในกรุงเทพมหานคร<า>เลยแต่ไม่นี่มีเป็นแบบแบรนด์ใหญ่ที่เป็นลงน ะ, ะแต่คือทางร้านเนี่ยเขาก็ปรับตัวคืออย่างน้อยเนี่ยก็สามารถที่จะมี delivery ไปส่งในพื้นที่ได้คือเดลิเวอรของเขาเนี่ยเขามีเจ้าที่เป็น Del ิเวอรี่ประจําหรือว่าทางร้าน เ, <ป>เนี่ยเขาทําเองเป็นของทางร้านอ๋ทนอทาเอ ง, งแต่ถือว่าเขาก็ปรับตัวแล้วก็อย่งที่น่าสนใจนั่นคือว่าร้านอาหารที่เป็นคล้ายคล้ายพัตคาห์นะนะที่<ะ>ที่อยู่ในในพื้นที่ต่างๆเองก็เป็นร้านทั่วไปนี่แหละแต่เขาก็ปรับตรงร้านให้สามารถที่จะ เป็นร้านชื่อดังในการประทานอาหารภาคใต้ต้องบอกว่าใครที่ไปใต้ความรู้สึกผมนะความรู้สึกแตกต่างจากการที่เราไปเราเป็นอาจจะเป็นคนอีสานอะไรเงี้ยเวลาไปเราแบบไม่ไม่เท่าไรกับการไปอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยที่จะทําอะไรแบบนี้นะคือบรีนะส่วนใหญ่เขาจะกินที่บ้านคือผมว่ารู้สึกว่าร้านอาหารที่อยู่ใต้อีสานเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าร้านอาหารอีสานเองก็อยู่มีทุกที่มีทุกที่แล้วคนไทยเองก็เอาร้านเอาอาหารอีสานเนี่ยมาทํา ใช่ค่ะก็อยู่ในขึ้นห้างก็มีคือเราจะเห็นได้เยอะแต่ถ้าอีสานอาหารเหนืออ่ใชจะไม่ค่อยมีถูกไหมฮะก็จะต้องเป็นแหล่งโดยเฉพาะถูกแล้วก็อาหารใต้อาหารใต้เนี่ยอาหารใต้นี่ยากเกินเดียบภูมิคือหนงคืออาหารใต้อาหารรสจัดใช่ค่ะนะแล้วก็ก็เฉพาะกับการคนทานจริงๆถ้าทานทุกมื้อเนี่ยบางท่านทานเผ็ดไม่ได้ถูกและอาหารใต้เนี่ยคือถ้าคุณคิดว่าอาหารอีสานเผ็ดแล้วเนี่ยอาหารใต้เนี่ย เผ็ดร้อนอืมใช่คือมากกว่านั้นคือผมทานผมจําได้กินไตปลามั้งเมนูสุดท้ายที่เขายกมาแล้วรู้สึกว่าโอ้ผมไม่ไหวอ่ะคือผมคนทานเผ็ดนะคุทานเผ็ดแล้วแบบอ่าคือมันร้อนในปากคือคือเราเข้าใจมันเป็นเครื่องเทศแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่มันร้อนแบบร้อนร้อนคือมันเผ็ดร้อนจริงเหมือนแกงเหมือนแกงเหลืองอ่ะบางท่านบอกว่าก็เหมือนแกงส้มเพียงแต่ว่าเป็นแกงที่มีสีออกเหลืองแต่ว่ารสชาติเนี่ยความเผ็ดเนี่ยเขาเผ็ดมากกว่าแน่นอนแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยที่ประชับใจนั่นคือเรื่องของ อ า, อาหารที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอพวกเนื้อปล า, าทะเ ล, อ ะ, เลอะไรอย่างเงี้ยส ด, ดนะสดหวานอร่อยอแล้วสิ่งที่เราได้มาคือชิ้นใหญ่และและราคาถูกก็ในระดับหนึ่งก็ในระดับหนึ่งราคาก็ไม่ต่ำกว่าร้อยอ่ะ ไม่ต่ากว่าร้อยแต่ถามว่าคุ้มไหมกับความอร่อยที่ได้ผมว่าคุ้มนะคือในแต่ละมื้อผมทริปที่ผมไปกันทั้งหมดเนี่ยดคนเนี่ยเวลาเรียกาเยทริปอาหารกินแบบกรุบกริบกรุบกริบแต่ละมื้อเนี่ยตกประมาณพันกว่าบาทแต่ถามว่าเฉลี่ยแล้ว แต่ได้รับรสชา ต, <S <S <S ตก็อิ่มนะเือนแต่เราเก็กบ ก, กินเสร็จแล้วเขามากินอื่นต่อคือถามว่าพอมาเฉลี่ยจริงๆ ค, คือก็ไม่ได้แพงนะอึงมืม้อละพันกว่าบาทแต่ว่ามันมี 7- 8คนนะใชแล้วก็มาเฉลี่ยก็ตกแค่แบบคน ล, ละร้อยร้อยนิดๆไม่เกิน200บาทถือว่าในแต่ละมื้อที่เราไปทานก็ถือว่าคุ้มค่ากับการที่เราไปสัมผัสอาหารใต้แบบนี้แล้วก็มีหลากหลายเมนูอ่ะม่มีมีร้านที่แบบขึ้นแบบอยู่ในกลางเมืองริมถนนที่เป็นแบบติด แม่ปิดทะเลแล้วก็เป็นร้านแบบริมถนนที่แบบว่าอาหารโต้ลุ่งธรรมด า, าคือไปทานมาหมดทุกทุกแบบก็เลยเห็นบรรยากาศว่าเออมันมันก็ได้ฟิลหลายๆอย่างก็คือต้องแนะนําว่าคนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดต่างๆเองเนี้ยพยายามที่จะไปให้แนะนําว่าลองไปสัมผัสบรรยากาศว่าคนในท้องถิ่นเขาทานอะไรใช่คือไม่ใช่ว่าทานอะไรความหมายคือขึ้นห้างนะ คือเขาทานจริงๆนะทานาอะไรบางบางบางท่านเนี่ยเขาแพนมาจากการแนะนําซึ่งซึ่งในบางครั้งเนี่ยนะคะอาหารที่เป็นรสชาติของเขาจริงๆเลยเนี่ยก็คืออาหารที่คนท้องถิ่นเน่ยเขาไปทานอ บางท่านบอกว่าเวลาสังเกตวิธีการไปเที่ยวน้ำเย็บไม่ได้แพลนอะไรเลยแต่ว่าพอไปถึงที่ตรงนั้นเนี่ยมองก่อนเลยว่าอาหารร้านไหนบ้างที่มีคนในพื้นที่เข้าไปกินเยอะอนั่นแสดงว่ามันมีรสชาติที่เป็นของพื้นเมืองจริงๆแล้วก็ราคาน่าจะย่อมเยาวด้วยเพราะว่าคนคนพื้นที่เนี่ยเขากินกันครับอ่านะค ะ, ะก็เป็นบรรยากาศนะถ้ามีบรรยากาศอื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่ากันต่อเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวจะเป็นรายการวันนี้จะเป็นแบบว่าที่ผมผมเย่างเดี้ยว <laughs> อ้าวมาดูดเรื่องราววันนี้รู้ฟังแน่นอนว่ากระแสนี้มาพอสมควรเทศกาลจะแล้ ทงเกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็เตรียมอุปกรณ์ในการเปิดร้านที่จะเตรนยมขา ย, ยแต่ว่าส่วนหนึ่งมันมีเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิก์กันไป <c oughs> ผมเพิ่งคุยรายการเกรายารหนึ่งไปพูดถึงเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์รจริงๆแล้วเนี่ยภาพเสียงต่างๆเนี่ย <c oughs> เมื่อถูกเผยแพร่เองเนี่ยมันมีกฎหมายตัวหนึ่งถูกคุ้มครองอยู่แล้วแต่กระบวนการที่เป็นประเด็นที่น่าจับตามองเพราะคนที่ถูกจับ นั่นคือเยาวชนเป็นยาวมันก็เลยเป็นปรกระแสะที่ว่าโหมั น, ม, นมันดูมันมันดูเป็นกระแสะอีกมันทวีความแ<อ>รงา ม, มากขึ้นเอาจริงๆคุณเบียร์พงศ์เรื่องของกฎหมายนะหลายๆคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากมถ้าไม่เจอกับตัวก็จะไม่ทราบเลยนะคะแล้วน้องเนี่ยก็เป็นเยาวชนด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หลายๆคนมีการตั้งคําถามว่าแล้วเยาวชนที่เขาไม่รู้เรื่องนะ่ยไม่รู้เรื่องของกฎหมายเนี่ยจะต้องโดนโทษกระทํำยังไงบ้าง และในกรณีนี้เนี่ยก็มีคนมาถามกันเยอะเลยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขามีการจับกลุมแบบนี้หร อ, อเกิดขึ้นในสังค ม, มซึ่งในเคสนี้นะคะของน้องคนนี้เนี่ยพอปารากฏขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีอีกหลายเคสที่เขามาเล่าแชร์ประสบการณ์ร่วมกันว่าเขาเจอในลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือเดี๋ยวว่ามันเป็นเคสต่ตอไปสําหรับ ค, คนที่อาจจะถูกตรวจสอบอแล้วก็เหมือนเป็นการ เ, าเรียกนะ่ะนะล่อจับ ประมาณนี้นะออออลอดซื้อประมาณนี้คือกระบวนการต่อไปเอ๊ะต้องทํำยังไงให้เพื่อให้เราเนี่ยเราไม่ได้มีเจตนาหรือถ้าจะปรับจริงๆจะปรับขนาดไหน อ, อาจจะต้องอยู่อะไรคืออา จ, จต้องจ่ายเลยไหมหรือต้องรอขึ้นสารหรื อ, อยังไงกระบวนการต่างๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแต่ณตอนนี้เองเนี่ยท่ารัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมเองนะฮะมีการสั่งยุติธรรมจังหวัด ช่วยเร่งเด็กสาววัยสิปีในการถูกล่อซื้อจับกลุ่มกระทงและเมืดลิขสิทธิ์เชื่อว่าไม่ใช่มีแค่รายเดียวคุณฟังตอนนี้ออกมากันใครที่นะโดนคือโกโดนก่อนหน้านี้ก็ออกมาแชะมาเล่าเหมือนกันว่าฉันก็โดนเคสแบบนี้เหมือนกันตอนนี้สั่งทุกจังหวัดเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นซ้ารอยครับในกรณีนี้นะคะรัฐมนตรีว่าก า, การกระทรวงยุติธรรมนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินได้พูดถึงกรณีที่เด็กสาววัยสิปีนะคะถูกตัวแทนลิขสิทธิ์ล่อซื้อจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ กรณีการประดิษฐ์กระทงตัวการ์ตูนต้องจ่ายค่าปรับ 5,000 บาทนะคะตอนนี้มีการสั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือเด็กคนดังกล่าวแล้วค่ะเบื้องต้นก็มีการทราบว่าบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์เองไม่เคยมอบอำนาจใดๆให้กับบุคคลจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายนะคะดังนั้นการเรียกค่าปรับลิขสิทธิ์จึงเข้าข่ายกันโชคทรัพย์ที่เยาวชนและผู้ปกครองสามารถแจ้งความเอาผิดได้ค่ะทั้งนี้ก็มัน่นใจนะว่าในกรณีนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่รายเดียวนะคะถ้าหากว่ามีเยาวชนรายใดที่ถูกคุ้มตัว ลักษณะแบบนี้ในสถานพินิษ์นะคะให้นําเงินจากกองทุนยุติธรรมไปประกันตัวและได้สั่งการให้ยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเฝ้าระวังไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นในช่วงรอยกระทงและหากมีเหตุเกิดขึ้นก็ให้ไปช่วยเหลือเจ้าทุกให้เร็วที่สุดค่ะครับผมชายอ้างเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์จากอ่าการ์ตูนแจงเนี่ยนะฮะก็บอกว่าก็ไม่ได้จ้างเด็กกระทำอ่าทำกระทงแล้วล่อซื้อนะที่เห็นเด็กโพสต์ขายกระทงใน Facebook จึงแจ้งความก่อนไปจับพร้อมตารวจอืมเขามีเปิด เพิ่มเสียพงตอนนี้คื อ, ค, อคือกระบวนการคื อ, อถ้าไล่ตามโพเต์คือเขาก็บอกว่า ในตัวที่คนที่เขาไปจับเองเนี่ยเขาบอกเขาก็เ ข, า ก, ขาก็ทำตามขั้นตอนน่ า, <ข>าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ให้คนไปสั่งซื้อแล้วไปจับเอาคนมาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งคนคนนี้ค่ะคือคุณประจกรักษ์โพธิผลนะคะอายุ56ปีคผู้ฟังคะมีการอ้างว่าเป็นผู้รับมอบอํานาจจากบริษัทพอิงจํากัดและบริษัทซานเอ็กซ์จำกัดนะคะซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธ์การ์ตูนโดยคุณประจักษ์นั้นบอกว่าน้องที่ทํากระทงเนี่ยเขามีการโพสต์รูปกระทงมีการละเมิดลิขสิทธิ์ลงเฟซบุ๊กนะคะตั้งแต่ ที่สิตุลาคมและมีคนสั่งซื้อก่อนที่ทีมงานนั้นจะเห็นจึงติดต่อไปในช่วงต้นเดือนพฤศจิกา ย, ยนที่ผ่านมาค่ะโดยทางบริษัทนะคะมีทีมงานที่คอยติดตามผู้ละเมิเลิขสิทธิ์ในโซเชียลอยู่แล้วก็เลยมีการเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็มีการติดต่อให้ส่งมอบกระทงในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งพบว่าน้องคนดังกล่าวเนี่ยเขาก็ถือถุงกระทงมาส่งให้ด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับตัวทะเล็กสิทธิ์จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมกับของกลางโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาค่ะหลังจาก นั้นนะคะคุณประจักษ์เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าทางญาติเองของน้องเนี่ยมีการมาติดต่อขอเจราจาซึ่งคุณประจักษ์เองก็ให้เจราจาเนื่องจากว่าผู้ที่ถูกจับกลุมนั้นเป็นเยาวชนแล้วก็มีความขยันทำมาหากินนะคะแต่ผิดก็คือผิดแล้วก็สามารถถอนแจ้งความร้องทุกได้โดยที่พ่อแม่ของเด็กนั้นเสนอเป็นค่าละเมิดเลกระศิทธ์ให้5000บาทในส่วนที่ถูกกล่าวหาว่าตัวทางบริษัทนั้นเรียกเงินจํานวนห0 0 0มบาทอันนี้เนี่ยคุณประจักษ์เขาที้แจ้งแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเพียงแค่แจ้งให้ครอบครัวของเด็กสาวทราบเท่านั้นว่า ตามพรบลิขสิทธิ์นะคะมีโทษปรับตั้งแต่ 50,000 บาทถึงส0 0 0สนบาทนะคะจําคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีซึ่งก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องของกฎหมายให้ฟังแต่กลับถูกครอบครัวของเด็กสาวตีความในทางที่ผิดและเข้าใจคลาดเคลื่อนซึ่งแท้ที่จริงแล้วนั้นไม่ได้เป็นตามที่มีข่าวออกมาค่ะ เ, เขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่ได้ล่อให้น้องกระทำกระทำกระทงเป็นตัวการ์ตูนดังแล้วมาล่อซื้อจับกลุ่มนะแต่น้องเยาวชนมีการโพสต์รูปภาพกระทงที่มีลักษณะละเมิดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ ส่วไประเด็นที่ถูกโจมตีวันนั้นประชาชนฟังความข้างเดียวเขาพูดอย่างงี้น ะ, ะจึงทําให้เจ้าหน้าที่ถูกโจมตีอย่างหนักถ้าพูดถึงบริษัทก็รับความเสียหายเช่นการอันนี้อรารยอมรับว่าเอาเคล้วนะฮะเพราะทําซ้าอําดัดแปลงโดยไม่ซื้อลิสหรือสิทธิ์แต่อย่างให้สังคมเข้าใจว่าน้องทําผิดและก็มีผู้ใหญ่เข้ามาเจราจาให้ถอนคําร้องทุกข์ทางตนเองก็ถอนคําร้องทุกข์ให้ถือเป็นการให้โอกาสเด็กอันนี้คือแค่โขเคสนี้และวค่าเคสอื่นๆล่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะฮ ะ, ะ, ฮะหลังจากกระแ ส, สสังคมต่อว่าทางทีมงานลิขสิทธิ์อย่างหนักก็รู้สึกเสียใจเกี่ยวกับการทำงานและปกป้องของผู้เสียหายหากไม่ปกป้องสิทธิ์ผู้กระทำหรือผู้ผลิตก็จะตกส่งผลได้รับคำเดือดร้อ น, น <ะ S 2> เพราะบริษัทเป็นผู้ลงทุนส่วนที่มีข่าวว่าบริษัทจะนำเงินจำนวน 5,000 ันบาทไปคืนน้องนั้นไม่เป็นความจริงหากนาเงินไปคืนก็ถือว่า ผู้ผทำเนี่ยก็ผิ ด, ผดซะเอง<อ>ยอมรับะะผิดเอาไว้อย่างนั้นในส่วนของบริษัทตัวแทนลิขสิทธิตัวการตูนตัวนี้น ะ, ะก็ออกมาชี้แจงว่ายืนยันว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับกลุ่มนะฮะหรือจับลิขสิทธิ์ซึ่งขอชี้แจงว่าตนเป็นตัวแทนดูแลลิขสิทธิ์ของต่างประเทศไม่เกี่ยวกับบริษัทดังกล่าวและไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ตนเองเพราะตนเองดูแลภาพระดับที่ใหญ่กว่าและไม่เข้าใจว่าออกหนังสือที่แจ้งมาเพื่อต้องการอะไรพูดง่ายๆว่าคุณประจักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของบริษัทที่ใหญ่กว่าบริษัทที่มีการออกหมายมาออกจดหมายมาก่อนหน้านี้นะว่ามันเกี่ยวข้องกับการเล่นไม่ต้องต้องมาดูต่อว่าคนที่ดูแลลิขสิทธิ์จริงๆเนี่ยเป็นใครเป็นใครกันแน่อสมมติว่าอาคุณกฤติยาคุณก็ไป็น้ลิขสิทธิ์มาอาเสร็จปุ๊บอาคุณก็ไปตามจับกูนองอย่างนี้เปียกโพงเหมือนการไม่คุยกันมากกว่านะเออนะ ปรากฏว่าบริษัทที่เป็นบริษัทที่ออกจดหมายมาเนี่ยเขาคือตัวแทนของการนำเข้าขายในประเทศไทยนะคะซึ่งก็น่าจะมีการโครกับต่างประเทศเพราะ<อ>ว่าเขาดูแลในในหลายๆประเทศนะแต่ว่าในส่วนของคุณประจักษ์ที่ออกมาพูดเนี่ยน่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของลิขสิทธิ์อีก ทอหนึ่งหรือเปล่าก็ต้องไปไปคุยกันก่อนนะฮะอันดับแรกคือต้องไปคุยกันก่อนแต่เรื่องนี้นนเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือการช่วยเหลือน้องก่อนน ะ, ะ, ะเพราะว่า อ, อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการเรียนด้วยหรือเปล่านะคือมันไปไ ป, ไประเด็นนอกจากแค่น้องอ่าไอ ปี2015นี้นะฮะยังมีหลายท่านนะฮะโดนจับกลุ่มกันไปโยชนทั้งนั้นเบียร์โพลที่ฉันก็อาจจะเป็นหลายท่านคือบางบางท่านก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะละเมิดหรือบางทีก็อาจจะเป็นเพื่อหารายได้นะฮะแต่เข้าใจว่าก็คือถามว่าผิดไหมในการทําภาพซ้ําก็คือในส่วนของการผิดก็คือผิดแต่กระบวนการก็คือว่าต้องไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งคือหลังจากเนี้มันก็เป็นเคสที่สําคัญว่าหลังจากเนี้กระบวนการคนที่คนที่ถือจริงๆเนี่ยคือใคร ถ้าเป็นเรื่องของเพลงบ้านเราเราทราบว่าจะมีใครไหนที่เขาดูแลและคนที่ดูแต่พรนี้เสร็จปุ๊บอ้าวสรุปว่าคนที่ถือลิขสิทธิ์จริงๆมีใครบ้างใช่ถูกไหมถูกไห้คุณเราก็ไม่ได้นอนว่าใครก็พูดได้นะว่าคุณเป็นตัวแทนของบริษัทนะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบคนคนผมเชื่อว่าประชาชนเริ่มจะสงสัยว่าแล้วใครเป็นคนถือลิขสิทธิ์จริงๆใช่และใครเป็นคนดูแลในเรื่องของการทําซ้ำอือคือสรุปว่าที่ฉันได้มาฉั้นได้จริงหรือเปล่านั่นแหละสิ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่อาจจะต้อง สังคมต้องการคําตอบมากยิง่งขึ้นแต่ประชาชนหรือพ่อค้าแม่ค้าหรือ้องหนูที่อยากจะหารายได้พิเศษอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์อาจจะต้องมีเป็นเคสต้องระวังเพิ่มขึ้นใช่แล้วอาจาจะมีการกใส่ความคิดของตัวเองลงไปในการออกผลงานก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเคสเนี้ยเกิดขึ้นห ล, ห, ลหลายหลายครั้งจริงๆแล้วลิขสิทธิ์เนี่ยอย่าพงถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าอาจจะมีการวาดรูปเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้เองเนี่ยไม่ผิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณนําไปสู่การค้ามีการเก็บเงินนั่นผิดกฎแน่นอนนะคะมาถึงเรื่องราวของการจัดัน กันบ้างนะคะเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการจัดอันดับภาษาอังกฤษ พูดถึงภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวนี้หลายๆคนเนี่ยเขามีการคุยกันประมาณว่าโอ้โหคนไทยเรานะเบียร์พงศ์เรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังคงอ่อนอยู่นะถ้าเทียบกับในต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็มีการจัดอันดับจาก Education First ค่ะเผยเดชนีความสามารถด้านภาษาอังกฤษคนไทยร่วงลงมาต่อเนื่องกัน3ปีติดนะคะอยู่ในระดับที่ต่ํามากขณะที่เวียดนามอินโดนีเซียอันดับตีเตื้องดีขึ้นกว่าไทยค่ะอา้าวอย่าพิ่งดราม่า ก, กันนะครับเป็นการจัดอันดับ เกี่ยวกับเรื่องของทักษะด้านภาษาอังกฤษจากกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักหรือภาษาราชการแน่นะว่าไทยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการนะครับ Education First เองนะฮะเขาก็บอกในเรื่องราวนี้ว่าการจัดอันดับครั้งนี้เนี่ยพบว่าทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคนไทยร่วงลงมาต่อเนื่องเป็นที่สติดต่อกันอันนี้ต้องมาดูนะว่าการร่วงนี่ร่วงอะไร เพิ่มขึ้นจริงแต่กระบวนการประเทศอื่นเขาอาจจะพัฒนากว่านะไม่ใช่ว่ า, อ เ, าเออเราอาจจะพัฒนาอยู่แล้วแต่เราอาจจะประเทศอื่นที่มีศักยภาพกว่าหรือมีความพร้อมกว่าเขาอาจจะเทียบท่ายกว่าหรือบางทีร<ช>รเราอาจจะ ไปไม่ถึงหรือเปล่าอย่างไรอ้าวติดต่อกันนะฮะสปีซ้อนปีนี้มาอยู่ในอันดับที่74นะครับจากทั้งหมดร0อประเทศนะครับได้คะแนนรวมอยู่ที่ 47.62 คะแนนซึ่งจัดว่าอยู่ในระดับต่ํามากๆคือต่ำกว่า50าสินะฮยังไม่พันหนึ่งเลยนะยอะไม่พันเกรดนะนะอ้าวย้อนกลับไปปี2องพทักษะความสามารถภาษาอังกฤษคนไทยอยู่ที่อันดับ64จาก88ประเทศอะแสดงว่าเพิ่มขึ้นมาอีก12ประเทศนะใช่ด้วยคะแนน4ี 5 4ขณะปี2017อยู่อันดับ53ทั้งหมด80ประเทศแสดงว่าเพิ่มขึ้นทุกปีะนะครับคือในปี2017เนี่ยได้คะแนน 49.7 คะแนนสูงอยู่พอสมควรนะครับจากการจัดระดับดังกล่าวเนี่ยทำให้ไทยกลายเป็นประเทศที่มีคะแนนต่ำสุดเป็นอันดับ3ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยอนอกจากนี้นะคะในบรรดาประเทศอาเซียเนยเขามีการ ตรวจนะคะเผยดัชนีนะคะพบว่าสิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งของชาติในอาเซียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สูงมากนะคะแล้วก็ถูกจัดเป็นอันดับ5ของโลกตามด้วยฟิลิปปินส์มาเลเซียอยู่ในกลุ่มประเทศที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษระดับสูงค่ะเวียดนามนะคะอยู่อันดับที่52ของโลกตามด้วยอินโดนีเซียอันดับที่61ซึ่งแม้จะถูกจัดอยู่ในระดับของคะแนนต่ํานะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดีกว่าไทยค่ะส่วนเมียนมาแล้วก็กัมพูชานั้นอยู่ในระดับที่ต่ํามากนะคะตามหลังไทยอยู่ที่86แลละ994ตามําดับ ถ้าเทียบบรรยายภาคแล้วเบียโพง์เขามีการเทียบรายภาคในไทยด้วยเขาบอกว่าภาคกลางและภาคเหนือของไทยเนี่ยนะคะเป็นภาคที่คนเนี่ยมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าภาคอีสานและภาคใต้เล็กน้อยโดยกรุงเทพมหานครนะคะมีความเชี่ยวชาญทักษะภาษาอังกฤษมากที่สุดของประเทศเรองลงมาคือนนท บ, บุรีเชียงใหม่ชลบุรีและก็ขอนแก่นตามลําดับค่ะก็ดูเป็นเมืองใหญ่ๆนะครับที่มีนักท่องเที่ยว เประเทศเยอานะครับ <c oughs> อ่ะก็ว่ากันไปนะครับรายงานดังกล่าวยังเตือนว่าประเทศต่างๆอย่างไทยแล้วกัมพูชาเป็นประเทศที่พึ่งพาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่ยังคงและหลังด้านทักษะภาษาอังกฤษและอาจได้รับผลกระทบจากการขาดความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยนะคะรับภาษาอังกฤษเองเป็นภาษาต่างประเทศโดยพื้นในที่นักท่องเที่ยวใช้สื่อสารและเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกจุดหมายปลายทางในการเดินทางซึ่งทั้งนี้นะคะดัชนีความสามารถทางภาษาอังกฤษเองอ้างอิงมาจากการวิเคราะห์ผ่าน 2.3 ล้านคนที่ทําแบ บ, บทดสอบภาษาอังกฤษที่ทํนะาจัดขึ้นโดย Education First นะครับอ้าวแต่จริงๆถ้าเทียบจริงๆแล้วเนี่ย ก็ยัมีบางนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะเขาก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคนจีนงเที่ยวหลักเรานะจีนนะฮะยบางทีรัสเซียนเียเขาก็มีภาษาอังกฤษรัเซียเองเนี่ยก็เป็นอีกสำเนียงแล้วคณผมฟังนี่ยไปฟิลิปปินใช่ไไปคนละเรื่องลจีนเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยนะคะเมื่อกี้เขาบอกสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่สูงสุดของอาเซียนนะตามด้วฟิลิปปินคือหลานในชั้นเนี่ยเปียพง์ไอยู่ฟิลิปปินตอนแรกในพูดไทยได้ปรากฏว่าอยู่ฟิลิปปินปุ๊บเนี่ย ภาษาไทยเนี่ยนะกลายเว่าจำยากขึ้นละเพราะว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักคือคุยในโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เรียนในหลักสูตรของภาษาจีนด้วยตอนนี้เพิ่มเข้ามาภาษาฟิลิปปินส์อีกเป็น3ภาษาไม่แปลกใจว่าเออทำไมที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขามีภาษาที่ที่ค่อนข้างจะกระตืออรขึ้นนะเพราะว่าหลักสูตรเขาเองเนี่ยมันมีการบังคับ ที่ต้งเรียนภาษาอังกฤษเป็นหลักอเขาถือว่าภาษาของฟิลิปปินส์เนี่ยมันเป็นภาษาท้องถิ่นครนะก็เรียนเรียนเหมือนเรียนเหมือนเราเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมเรื่องของการใช้คำนะแต่ผมว่าประเด็นอย่างหนึ่งของคนไทยนะจากที่ทักษะที่เราเจอกันมาคือเรื่องของคนไทยเองเนี่ยยังติดคําว่าหลักไวยากรณ์อืมคือที่เนี่ยอันนี้มุมสะพอนะผมว่าบางคนเขาบอกว่าบางคนอาจจะแบบมีมีแบบเฮ้ยไม่จริงหรอกมันก็ต้องแกรมาแกรมมาไว้ก็คือถามว่าเรียนไหมเรียนแต่ถ้าพอจุดหนึ่งปุ๊บ อ่าหลายท่านเองก็จะแบบฉันจะเริ่มต้นด้วยไอแอเอ่อใช้ใช้เทนอะไรก่อนถูกไหมอะไรใชแอนอะไรใชอ่ถูกไหมอะไรใชเดรชิดิใช่ไหมฮคือประเด็นว่าฉันจะใช้อะไรก่อนหลังแล้ววยากรณ์ถูกไหมอะไรคือขั้นกว่าแต่แต่บางบางที่เองเนี่ยหรือบางบางประเทศเองอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ค่อยสนใจว่า จัวยากรณ์ถูกหรือไม่ถูกขอพูดได้ก่อนหลังจากนั้นคือเรียนในห้องแล้วก็ใช้ตามลักษณะของการเรียนการเขียนอันนี้จะเป็นประเด็นที่ให้คนกล้าพูดกล้าเขียนใชมากกว่าดิฉันว่าสิ่งที่อีกประเด็นอย่างหนึ่งคนไทยเองชอบประมาณว่าอาจจะแบบพอเจอในส่วนของแบบคุณเขียนไม่ถูกอ่ะก็จะมาพยายามแบบมามาบอกคุณเขียนไม่ถูกแต่บัลบัลความแบบคนที่เขียนไปไิ่ที ม, มันทำให้เสียความมั่นใจนะความมั่นใจ่านะฉันจะเขียนแบบนี้แต่บางทีเออฉันฉั น, ฉนไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราเนี่ย<ม>หลายๆคนที่เขาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันคนที่เขามีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติแล้วก็เขาก็เจอเพื่อนแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษกับเพื่อนเนี่ยนะ เขาก็จะบอกว่าเพื่อนเนี่ยก็บอกว่าทําไมต้องแกรมมาล่ะยู่ออมันต้องแกรมมาเพราะว่ามันคือการใช้ภาษาในชีวิตประจำวนันมันไม่ต้องแกรมมาขนาดนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสิ่ง ท, งที่สิ่งที่น่าคิดแล้วก็สิ่งที่ดูยากสำหริชนะก็คือเรื่องของสัมนวนมากกว่าออบางคําเนี่ยเราบอกว่าพอเราแปลตามตัวแล้วเนี่ยมันเป็นความหมายนี้สิออแต่ว่าในคนต่างประเทศบอกว่ายูมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมีออมันจะมีคอสหนึ่งะถ้าจะไม่ผิดนะจะมีคอสหนึ่งเรื่องของสัมนวนนะ ใช่เหมือนบ้านเราก็มีแบบว่าสุภาษิตคาพังเพยคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำองคำคำคำคำคำเองก็จคมีคำคำคำคำคนคำคำคำคำคตคำคำค้คำคำคำคำคำคำคำแต่ำอำนำคำคำคำนำคยคำคำคำคำาำคำคองำคำคำคำคำคำคำคำคาคำาำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคาคำคำคำคำคำคำคำคำคคำคำคคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคำคคำคำคค นอกจากคนที่เรียนเนี่ย ค, คนที่เรียนเขามีโอกาสอยู่แล้วแหละได้เจอได้ใช้แต่กลุ่มคนที่อยู่ในวัยทํางานเองเนี่ยถามว่าบทบาทหรือบริบทที่เขาจะได้ใช้จริงเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนบอกชื่อว่า<ม>ประมาณสัก98 99เปอนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้ภ า, ารรษาอังกฤษเลยะนะฮะก็จะมีแค่เจอแบบคำสองคาเป็นประโยคเล็กๆนิดบ้างแต่ส่วนใหญ่คือเพราะเราใช้ไทยเป็นหลักเราก็ต้องพิมพ์ไทยขนาดไทยบางทีเนี่ยสำน ong สำนวนเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้มือไวนะพิมพ์บางทีก็ผิดคือ ตั้งใจว่าจะพิมพ์อีกคำหนึ่งนะใ uh huh. นชนะแต่พอพิมพ์ออกไปอ้าวกลายเป็นคำอีกคำหนึ่งอย่างคำว่าการไปพิมพ์กวาอย่างเงี้ยเออ แ, แบบไม่ไหวเลย แต่ไม่เป็นไรนะครผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งนะที่เขาประเมินแต่พราะว่าทักษะของการใช้ภาษาบ้านเราเนี่ยก็ยังพัฒนาการเนี่<อ>นสังเกตนะดูเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มีความเชี่ยวชาญทักษะเนี่ยคือกรุงเทพมหานครนั่นแสดงว่าเราใช้ภาษาในเรื่องของการสื่อสารกับชาวต่างชาติค่อนข้างเยอะนนทบุรีเองก็เหมือนกันอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะชนบุรีก็น่าจะเป็นแถบพัทยาในชั้นเดาว่ายอย่างงั้นนะคะแล้วก็เชียงใหม่ก็เป็นประเทศที่แบบชาต่างชาติเยอะนะแต่ขอนแก่นก็ทางอีสานนะขอนแก่นขอนแก่นนี่เต็มเมืองเลยค่ะ ว่าตอนนั้นนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาก็สามารถสื่อสารกันได้นะครับไปกันที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะฮะลอยกระทรงปีนี้จะเป็นอย่างไรกรุงเทพเออกมาบอกด้วยปีนี้นะคะชวนประชาชนเที่ยววันลอยกระทรงในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้นะคะยังรณรงค์นะคะให้มีการลอยกระทรง1กระ ท, ร ง, 1ระทรง1ครอบครัวหรือใครจะเป็น1คู่รักก็ได้ะนะคะย้ําค่ะห้ามจุดพลุห้ามลอยโคมนะคะใครฝ่าฝืนมีโทษจําคุก3ปีปรับหก0 0 0่บาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะอ้าวสิเ ศจิกายนต์นี้นะครับจะไปลอยกระทงที่ไหนวางแผนกันให้ดีนะครับเดี๋ยวท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคนครนะฮะท่านพลตรีเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่าลอยกระทงปีนี้นะฮะกรุงเทพเองก็จัดงานนะฮะสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนานอนุรักษ์สืบส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเพราะจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเดินทางมาลอยกระทงในพื้นที่กรุงเทพจํานวนมากก็เชิญชวนนะฮ ะ, ะให้ประชาชนเชื่กันระงลอยกระทงหนึ่งกระทงต่อหนึ่งครอบครัวเพื่อลดปริมาณขยะและในวัน ในช่วงวันงานนั้นนะฮะทางสํานักวัฒน์กีฬาและกการท่องเที่ยวนะฮะของกรุงเทพเองก็จะสาธิตทํากระทงจากใบตองกับมะพร้าวกมะพ้าวดอกบัวนะฮะเครื่องต้มยําที่ใช้เครื่องต้มยําที่ใช้ทําอาหารสิ่งประดิษฐ์อื่นที่ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมให้ชมอีกด้วยนะครับสําหรับปีนี้นะคะกรุงเทพมหานครค่ะจัดงานระกระทงในพื้นที่หลักนะคะก็ที่สะพานพระรามแฝั่งทนบุรีนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คือ11บเอ็ดพฤศจิกายนนะคะช่วงเวลา อ่าบ่าย2โมงนะะถึงหทุ่มภายใต้ทีมลอยกระทงชมจันทร์สะพานพระราม8นะคะมีการแสดงศิล ป, ปะวัฒนธรรมไทยเช่นการแสดงลำตัดกลองยาวแล้วก็มีการประกวด กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยนะคะส่วนทางคลองโอ่งอ่างก็จะเริ่มจัดงานนะคะตั้งแต่วันที่8ถึง11พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะจะมีการแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยแล้วก็การประกวดนางหนูน้อยนพมาศด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยที่ท่าท่าเทียบเรือโป๊ะท่าน้ําตามวัดนะคะบริเวณใต้สะพานต่างๆแล้วก็ริมตะลิงให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยด้วยจัดดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกสถานที่พร้อมกับ ห้ามจุดแล้วก็ปล่อยบ้างไฟพรุตะไลโคมลอยโคมไฟคมควันนะคะฝา่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอ้าวแล้วก็ฝากเขาด้วยนะฮะเชื่อฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันด้วย น, <ห>นะฮะว่าเมื่อกี้เนี่ยอ่า เขาก็จะัคนจำนวนเรียบร้อยแล้วคือความปลอดภัยเราต้องมีพลุสิแล้วต้องมีอะไรนู่นนี่นั่นไม่ได้ใช่แล้วนะครับมาดูข่าวดีกันสักนิดนึงนะครับเรื่องของธนาคารกสิกรไทยก็ร่วมกับธนาคารออมสินนะฮะมาตั้งโมเดล ATM สีขาวแบบไหนฮะคือเขาจะให้บริการ ATM ร่วมกันนะฮะคือปกติเนี่ยต่างแบนก์ก็ใช้ของใครของมันใช่ถูกหม แล้วโอนใจจังหวัดนะใช้สีเขียวก็ใช้สีเขียวโอนใช้สีชมพูก็ใช้สีชมพูโอนตู้นะเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่โอนแบงกิ้งโอนตู้เสียค่าโอนถูกต้องอันนี้ก็เป็นแบบเงื่อนไขายตอนเข้าไปตอนนี้เขาจับมือกันสีเขียวกับสีชมพูจับมือกันแล้วเขาบอกว่าใช้ร่วมกันฟรีค่าธรรมเนียมไม่จํากัดจํานวนครั้งเริ่มแล้วนะฮะวันนี้ถึง30เมษายนปีหน้านำร่อง5จังหวัดใครอยู่ที่ไหนฟังกันสกลนครนครพนมปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะครับกแปลกใจทำไมเป็น5จังหวัดนี้นะคะเรื่องรานี้ คุณขัตยาอินทราวิชัยกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยและคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารอมสินนะคะก็ร่วมกันลงนามความร่วมมือให้บริการเ TM ระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจกับธนาคารพาณิชย์นะคะบริหารจัดการเครื่อง ATM ในอนาคตร่วมกันสานต่อนโยบายเครื่องเอทีสีขาวของทปทหรือธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยนะคะโดยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้กับลูกค้าครอบคลุมการถอนเงินสดสอบถามยอดเงินการโอนเงินระหว่างบัญชี ที่ผูกบัตรหรือลูกค้าธนาคารสามารถ ท, ทรําธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ของอีกธนาคารหนึ่งเสมือนการใช้บริการของธนาคารที่ลูกค้าถือบัตรจากเดิมซึ่งเขาต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมนะในการอโอนต่างธนาคารนะคะตั้งแต่รายการที่5ภายในเดือนเดียวกันค่ะครับผมอาสําหรับธุร ก, กรรมข้ามจังหวัดสําหรับโครงการนี้จะถอนเงินสดจะคิดค่าธรรมเนียมลดลงเหลือนะฮะ 15, 15บาบาทต่อรายกา ร, รการโอนเงิน30ผมว่าน่ผมจําได้ถ้าแบบของสีฟ้าเนี่ยนะข้ามจังหวัดนะคะ สมสีฟ้าในห้าสิบาทไม่หรอกโอไมก์ก oh ็ผมเกนะิดเจนห้าสิบาทเลย น, น, เน ะ, ะ ก, การโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรนะฮะลูกค้าของธนาค า, การกสิกรไทยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับส่วนลูกค้าออมสินคิดค่าธรรมเนียมลดลงเหลือ15บาทต่อรายการทั้ง น, นี้โครงการดังกล่าวเริ่มนะฮะวันนี้เป็นวันแรกถึงสามสิบเมษายนปีหน้านําร่อง5้าจังหวัดมีอะไรกันบ้างอย่างที่บอกไปคือสกลนครนครพนมนะครับปัตตานียะลานราธิวาสกาลังเปิดหาอยู่ว่าเออเป็นจังหวัดเมืองรอง นะครับมีสกลนครเป็นเมืองรองนครพนมเป็นเมืองรองนครพนมด้วยไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับทางใต้ในปัตตานี้ะะว่าเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นาจังหวัดชายแดนใต้นะด้วยก็ด้วยเป็นเป็นเมืองรองด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ใช้เป็นเมืองหลักนะฮะก็ใช้เมืองรองนะฮะก็ทดลองอยู่เอาละค่ะข้างนอกเขาบอกว่าเวลาถึงแล้วนะครับเจอกับกรอบข่าวชาวมันสุขได้ใหม่นะฮะสุขหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันที่เอฟเอดสิุทยราชมงคลหัญบุรีครับค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกระทานางและคุณปียพงเคนท ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ